ไปยิ้มสี่ห้านะครับที่สูรูปใดคือแห่จีวรแกะทิ่สุนีที่ไม่ใช่ญาติยกเว้นแต่เหตุการแลกเปลี่ยนต้องอามบัตปาจิตตินะครับแบบนี้ก็ ค, คล้ายๆกับที่ร่ำจีวรจับมือที่สูนีผู้ไม่ใช่ญาติใช่ไห ม, มข้อนั้นร่ำนะแต่ข้อนี้ให้มันต่างแค่นี้เองะครับส่วนคำที่บัตทีเ่เหลือก็เหมือนกันนะทิ่สุนีนั้นไม่ใช่ญาตินะครับ จ็ชั่วข้อ น, นี้ไม่แน่นิ่งกับเราเลยนะไม่ใช่ยากเลยยูดีก็เอาจีวอลไปให้เ้าเลยนะครับอาจีวอลขนาดไหนจีวอลที่พอทิฐฐานหรือวิกัลได้นะครับขนาดนั้นก็ให้เขาถ้าแรกเปลี่ยนไม่เป็นไรถ้าให้เนี่ยให้โดยตรงใช่ไหมให้โดยตรงหรือวา่าอยู่อะไรนะก็ให้โดยตรงนะครับหรือว่าอยู่ ใ, ใกล้ๆ ใ, ให้อย่างนี้นะก็จะต้องอ่านบทไปที่ในสิุขามวนนี้โยไม่แต่เป็นการแรกเปลี่ยนถ้าแรกเปลี่ยนไม่เป็นไร ไม่แต่แรงตีด้วยผลมาหามปอกใช่ไหมผลสมอก็ยังได้คล้ายแรงก็ลังกันนะครับอย่าให้เลยเพราะว่าถ้าไม่ใช่ยากกันแต่บางทีอาจจะเกิดความสืุนพึ่งเคยใช่ไหมแล้วผมพวกไม่ต่างคนทั่วบ้านะเกิดความสนุนสนุนการด้วยอำนาจของราชใหรือว่าเมทูลขึ้นมาได้นะครับยิ่งพ่อเบอกว่าที่จุฬาฯกระดาษโทรจองใช่ไหม ยังไม่ไอ to, oriented, <geek ing> ่ากรคโคจรห้มีอะไรบ้างครับของห้า้าก็มีหญิงสาวเธอสาวแคลนองสุราพิษสุนีแล้วก็ไอมันดอกบันดอกครับแล้วก็สาวเธอเดียกันครับสาวแคลนองแล้วก็ไอตอนเชียนตอนนี้ฟ <pressed. S 1> ึ่งข้อแรกเนี่ยนะหญิงอะไรวะหญิงอะไร ยิงไม่ยิงแพทย์สยามครับสาแก่แม่ไม่ก็อยู่ข้อเดียวกันนะจะเป็นสาวแก่หรือแม่ไม่ข้อเดียวกันนะครับอันนี้ถ้านที่บานราดทำไมณพิสุณีนียถึงเป็นโคจองนะครับเพราะว่าไปนั่งบวชด้วยกันนะเพราะไปเข้าไปติดต่อไปอะไรนะครับจะมีความคุ้นเคยกันง่ายมากเลยเหมือนว่ารู้จจกันอะไรกันใช่ไหมไปเข้าไปติดต่อไปเข้เพลงนะก็จะมีความคุ้นเคยได้น่ายและได้ไวนะครับเนี่ย เพราะนั้นพิจูนีเป็นคนจนะครับของพิจนีใช่ไหมเขาหลนของอาฐานบิดการเซนทีใช่ไหมครับนสาหาน้หาะครับอ๋อลว่าที่ทเป็นแล้วก็เขาก็มาหาใช่ไหมแล้วก็จอบกอจูบทำอะไรกันอย่างนั้น มาอย่างผู้หญิงใช่ไหมโอ้แต่จะมีพอในยพิชูนีที่อาย่มากเน่ยอยู่พอดีใช่ไหมครับเห็นเข้านะโอ้แ็จเลยนะครับแต่ตอนสุดท้ายนะแกก็สืบไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นนะครับแล้วก็ไปมีท้องมีอะไรอย่างนั้นเห็นครับมื่อถึงขนาดนั้นคงจะอยู่ไม่ได้แล้วนะแกคงจะห้าหน้าอยู่นะครับเกินราคาเกินอะไรนะอันนี้นะครับทีนี้มาดูต้นอย่าง ถอยต้นบัญญัติแล้วก็จะชัดเจนขึ้นเลย น, นะเป็นเรื่องของพิกษุรูปหนึ่งนะครับโดยสมัยนะั้นพระพาทไดเจ้ากระทําอยู่หนะ้าพระเชะวันราวของนาถวิต ร, ริกาข้ามบดีเขตกรนครสาวกทีครั้งนั้นพิสุรูปหนึ่งเที่ยวบินเบาดไปตามถนนแห่งห น, ะ น, นึ่งในกรนครสาวกทีเที่ยวบินเบาดไปตามถนนใช่ไมแม้พิสุนีรูปหนึ่งก็ที่บินเดบัดไปตามถนนนั้นครั้งนั้นแมพิสุนีนะั้นได้กล่ารคํานี้ ที่สุนั้นได้กล่าวคำนี้กับพิษุรีรูปนั้นว่าไปเถอะน้องหญิงณสถานที่นู่นมีผู้ถวายพิกษาเนี่ยนะเห็นพิสุรี้ก็บอกนู่นนะที่นู่นมีคนถวายอาหารนะนะครับแม้พิษณีรูปนั้นก็กล่าวอย่างนี้ว่าไปเถอะตุตคุณจ้าณสถานที่นู่นมีผู้ถวายพิกษา น, นะครับก็บ่อย ก, กันนะอ่าพิสุและพิษุีทั้งสองได้เป็นเพื่อนเห็นกันเพื่อนเห็นกันไม่ใช่สั่งคำหินหน้ากันนะ คือเพื่อนที่ยังไม่คุ้นเคยกันดีเขาไม่ใช่เพื่อนสีและเพื่อนธรรมดาหรือ่าเพื่อนเห็น mm hmm. อก็ได้พบเห็นกันอยู่เรื่อยๆคราวนี้หนึ่งเราหนึนงนงน่งเพื่อนเห็นแล้วนะนะ <c oughs> ก็สมัยนั้นท่านเจ้าหน้าที่แจกจีวอนกำลังแจกจีวอนของสงจึงพิษาริรูปนั้นไปรับโอวาเาแล้วเข้าไปหาพิจารรูปนั้นอะพี่ว่าไนดะ้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งใช่ไหม ก็กระลโอว่าสตาธนูลาของพิสุลีเนีนะ่ยโหราโอวา่างอ้าว เ, าเาข้าระหารุกน้องเจ้าหน่อยใช่ไหมเข้าไปเยี่ยไปอะไรนะครับพิสุนั้นก็ได้กล่าวคำนี้กับพิสุลีผู้นั้นผู้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ว่าดูก่อนน้องหญิงส่วนจีวังของฉันนี้เธอจะยินดีหรือไม่พอาะท่านผูดด้หน้านับแจกจีวอมาครับก็คิดว่าจะเอาจีวังพิสุลีไรพูดอย่างเงี้นะเนีย่ยเธอจะยินดีหรือไม่พิสุลีเล่าว่ายินดีเจ้าข้า พ่อตีฉันมีจีวรงเก่าพิสูุนนั้นได้ให้จีวังแก่พิษุณีนั้นแต่พิสูจนนั้นก็เป็นผู้มีจีวัเก่าอยู่เหมือนกันเอาหมาเพราว่ายในในังไงท่านก็มีจีวังเก่าท่านไม่ยอมใช้ยอมเปลี่ยนนะเอาจีวันี้ให้พิษุณีไปนะครับนี่อาชีวะใหม่พิษุณีเนีนะ่ยชื่อต้องหลายจึงได้่างกับพิสูจนั้นว่าบาัดนี้ท่านจงเปลี่ยนจีวังของท่านเถอดพิสูจนนั้นได้แจ้งท่านแก่ท่านทั้งหลายลก็เลยบอกเอ้า พ่อก็เห็นว่าท่านมีจีวรเก่ามากแล้วใช่ไหมท่านเปลี่ยนจีวรใหม่ท่านก็ไม่เปลี่ยนท่านก็เลยบอกนะให้เดียวพิสุนีไปแล้วนะครับบรดาั้น พ, ส, พน ส, นสุิผู้มักมโนสมนโญแต่เขาเคยตั้งถิ่นที่พุทธนาว่าฉะนั้นภิสุทิจึงได้ให้จีวรแก่ภิสุนี้เล่าและกราบึูเนื้อความ้งางพร่างจ้าทุกทวงก็สัถามพิสุทธุ์ูนี้นะครับว่าดูก่อนพิสุพิสุนีนั้นเป็นญาติของเธอหรือไม่ใช่ญาติมีใช่ญาติพระเจ้าข้าท่วงก็สงติ แล้วก็มียศขาคนนี้ขึ้นมานะครับครั้งแรกครั้งแรกยังไม่มีการแลกเปลี่ยนนะครั้งแรกมีแค่นี้ว่าอนดนุลพิสุได้ให้จีวังแก่พิษุณีผู้ไม่ใช่ยากเป็นปาจิตติสมัยต่อมาพิสุนอ้างร้ายลังเกียร์ไม่ให้จีวังแ ล, เลกนะแแลเปลี่ยนกับนะพวกพิกสุนีนะครับแม้รังเกียร์ก็ไม่ยอมแลกด้วยนะเพราะเป็นผูได้เจ้าชื่อมียศขาคนแ้กนะครับพิสุนีก็เลยแพ่งเทอดีเตรียมบทนาเลยนะว่าฉนาันนี้ก็เป็นเจ้าจึงมาได้แลกเปลี่ยนจีวัแก่พวกเรา ททั้งหลายก็กาพเจ้าสงทรนะครับรวมก็ทรงอนุ ญ, ญาตนะว่าดุก่อนพิสูุนทั้งหลายเราอนุญาตให้แรกเปลี่ยนแก่สัต์ธมิกทั้งห้าก็หมายถึงว่าแ้กเปลี่นก็ได้นะมาบราษัทมิตทั้ง้านะคือพิสูจนพิสูจีสิขามานาสามุณสามุณน์ีเราอนุญาตให้แรกเปลี่ยนแก่สั์ธมิตทั้ง้าเหล่านี้ได้และก็ทรงอนุ ญ, ญาตขึ้นม า, าว่าไม่ไม่แต่ได้เปลี่ยนใช่ไหมนี่ น, นะครับ คำพิบายนั้นไม่มีอะไรจีวรที่พอทิฐานได้นะครับไม่แน่เปลี่ยนให้ไปเลยอันนี้ต้องมาตายตีถ้าแรกเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะ น, นี้ก็เป็นสิกขาตายตีนะครับไม่ใช่ยาเข้าใจสงสารคนผิดต้องระบัดไทีทั้งนั้นแต่ถ้ให้แก่พวกสิกขามานาสามานเนรีนไมเป็นไรใช่หมไม่เป็นไรนะให้บริหารอยู่ที่ไม่ใช่จีวก็ได้นะครับอันนี้อาน้าบัตรข้อเลี้ยงฟังนิดนะ พี่สุดทีพูดเป็นญาตนี้ให้เลยถ้าเป็นยาตนะเป็นน้องสาวนะครับเป็นแม่อะไรสมัยก่อนมีใช่หรือว่าแรกประเยนนะครัแล้วก็อะไรนะให้ยืมก็ได้ให้บริค้าอื่นแมงกีวอลให้สิัามมนาสามเนรีแล้วนี่ก็เป็นอะไรได้เลยครับข้อนี้ก็จบนะครับ